พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันติสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าใจคือผู้ใช้สมองวันนี้เป็นวันที่ อาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2556พระในวัดของเราทั้งหมด39รูปสมเน1หนึ่งรูปวันนี้พระงดฉันเกรูปพระไม่ลงมาฉันพร้อมกันท่นภาวนาของท่านอดอาหารและภาวนาปฏิบัติวันนี้เป็นวันพิเศษ นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรเซนีรอเสลี <c oughs> ท่านเซนีจิตกระเสมพร้อมคุณนายทาบุญวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษแต่ครั้งก่อนท่านผู้ว่ามาทาบุญวันเกิดของท่านวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนายเห็นไหมพวกเราพอตอนที่จะใส่บาทก็ฝนลินพลัมเลยใช่ ออพอถึงมาสาลากโฟนลินถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเทวดาหนึ่ท้องฟ้าก็ปล่อยชัยมงคลคาถาให้ได้นนี่แหละผู้ใหญ่ที่ท่านได้มาเห็นพี่น้องประชาชนคนในถิ่นฐานถ น, นนหนทางท่านก็ใจ มีปากมีเสียงท่านได้เห็นหลวงพ่อว่าผู้ใหญ่มาสู่ถิ่นฐานบ้านของเราถือว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งอย่างที่ทูกลกระห ม, ม่อมที่พระองค์เสด็จมาพักประทับอยู่ที่วัดของเราที่ตาหนักที่เราจีบที่ตาหนักของพระองค์ท่านท่านมาหลายครั้งเสด็จมาหลายครั้ง หลวงพ่อว่าเป็นมงคลยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนอําเภอนาอยูงจะหาได้ที่ไหนที่ท่านจะเสด็จประทับไม่ใช่ของง่ายๆขนาดระดับพระองค์ท่านแล้วอันที่ท่านเสด็จมาประทับในถิ่นของพวกเราถือว่าเป็นมงคลมหามงคลสําหรับพี่น้องประชาชนอยู่ในขิดถิ่นฐานธุละกันดารอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ถึงยังไงก็ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกมูลเหลาผู้ใหญ่อย่างท่านผู้ว่าเนี่ยท่านอยู่ในจังหวัดท่านก็เป็นห่วงทุกหัวและแห่งในการปกครองของท่านถ้าว่าพวกเรามีความเดือดร้อนอะไรท่านก็ยินดีรับฟังเข้ามาช่วยเข้ามาดูเหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่ของเรานี่นลูกคนไหนไปอยู่ณนะแห่งหนตำบลใด ก็คือลูกของท่านท่านจะต้องดูแลนี่กเหมือนกันในขอบเขตขันทศิมาของเมืองอุดรถ้าหากว่าพวกเราเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านผู้ว่าก็ต้องเป็นหูเป็นตามองรอบด้านรอบข้างทุกคู่ทุกคนให้ความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน แต่ก็พร้อมกันอีกเหมือนกันนะพร้อมกันก็คือพวกเราที่เป็นลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นคนอยู่ในขอบเขตขันทศิีมาก็ต้องเป็นคนดอีอย่าให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนอย่าให้ท่านได้เดือดร้อนกับพวกเราสิ่งไหนที่เดือดร้อนเรารู้ไหมสิ่งที่จะเดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองอพวกเราก็ต้องส้ารวมระวัง สรุปแล้วก็คือให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีสิ่งไหนที่ดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีคิดยังไงทำดีทำยังไงพูดดีพูดยังไงอันนี้เราก็ต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระบันพระบุรุษของพวกเรานับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นพุทธบริษัท คำว่าบริษัทคำนี้เนี่ยเหมือนกับบริษัทห้างร้านบริษัทต่างๆเรานะ่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกพวกเราว่าพุทธบริษัทก็เนี่แหละบริษัทเราคุ้นส่วนกันกับบริษัทนี้เราเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เข้าหุ้นส่วนในนามของพุทธบริษัทพุทธบริษัทควรปฏิบัติตนอย่างไรในกฎกติกา ในบริษัทที่พระพุทธเจ้าที่เราลงทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนเป็นพุทธทบริษัทเนี่ยเราจะปฏิบัติต้นอย่างไรอันนี้ก็คือคุณงามความดีส่วนหนึ่งแหละที่คือว่าทำดีแหะ ท, ทำดีของพุทธศาสนาท่านบอกว่าสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็ให้มีศีลห้าแล้วก็นั่นแหละคือทำดีคิดดีนะคิดอะไร อย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบอย่าไปคิดกโกดโกดโกงอย่าไปคิดเบียดบังมิจฉาทิฐิเห็นว่าตายแล้วไม่เกิดตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีทำดีไม่ไดีทำชั่วไม่ได้ชั่วอันนี้ก็คือคิดไม่ดีเห็นว่ามิจฉาทิฐิคิดไม่ดีคิดผิดแล้วก็คิดทูก สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรวาจากัมมันตัวอาชิววายโมชติสมาธิอันนี้คือคิดตามมักแปของพระพุทธเจ้าคิดดีก็คือคิดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดสงเคราะห์ผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่ใช่ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างอื่นนะคิดไม่เบียดเบียนตนอีกต่างหากไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดดีแล้วก็พูดดีอย่าไปพูด ยุยงให้แตกกันให้มีความแตกเราาจำคีในหมู่ญาติในเขตจังหวัดของเราเรียว่าพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมในที่อยู่ใกล้กันพูดกันต้องทนุถนอมสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์จึงพูดไม่ใช่ว่ารู้อะไรมาพูดทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีรู้มาน่ยพูดไปแล้วจะเสียหายเราก็ต้องสำรวมระวัง อย่าไปพูดในสิ่งที่ที่มันจะแตกแยกสามัคคีในครอบครัวในพี่ในน้องในวงสาขนายาตในสำนักงานของพวกเราในวัดวาศาสน า, าของพวกเราอันนีค้คือการพูดก็ต้องระวังอีกเหมือนกันการพูดเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาถึงโทษประหารได้ทำไมจึงว่าโทษประหารได้ก็คืออย่างภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรม คือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตน้นต้องปาไลเช็กอย่างเนี้ยคือการพูดอวดโกหกอย่างรุนแรงต้มตุ๋นอย่างรุนแรงโกหกอย่างรุนแรงขาดจากการเป็นพระได้นี่แหละไม่ใช่ว่าการพูดเนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้อยแรงในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราคณะสัตธาญ า, าติโยมลูกหลาน ท่านเป็นท่านผู้วาดท่านเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองพ่อจังหวัดอุดรคุณนายของท่านกับเป็นแม่บ้านของพวกเราท่านเป็นอะไรเกี่ยวกับสาธารณกุศลออกหน่วยกาชาติท่านเป็นแม่บ้านกาชาติของจังหวัดอุดรถ้าว่าพวกไปตรวจเลือดไปขอเลือดที่ไหนโดยมากถึงเนี่ย คุณนายเนี่ยได้มาแล้วกับเพื่อใครเพื่อพี่น้องประชาชนท่านทรงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่ยะพ่อบ้านแม่บ้านพวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานขอให้ทำตนให้เป็นคนดีสรุปแล้วแต่ลงพ่อเองก็เป็นห่วงจังหวัดอุดรเหมือนกัน่ถ้าได้ยินทางตำรวจเขาบอกว่ า, วาในทิ่นฐาน แดนติดลำแม่น้ําโขงเนี่ยโดยมากยาบ้าดทะลักมาทางนี้หลวงพ่อหลงเองเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิน่นหลวงพ่อเองก็ได้สะดุ้งเหมือนกันเออลูกหลานเอยให้ซ้ำรวมระวังอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองแล้วก็ทำร้ายทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเน้อลูกหลานเน้อให้สํารวมระวังเน้อไม่ใช่ว่าจุดเล่าเผาเรือนแล้วก็มา ปลูกพริกปลูกเขือปลูกฟักแฟงแตงกว า, ามันไม่คุ้มค่ากันนะใครแค่ว่าเร า, เาจูดเล่าเผาเลือนจะว่ะจูดเล่าเผาเลือ น, นมสมไมเล่าคสมัยก่อนคือเล่าเลยยุ่งข้าวนั่นแหะคนโบราณทางอีสานเล่าข้าวเล่าข้าวเนี่คือยุ่งข้าวเนี่ยเผายุ่งข้าวเผาเลือนแล้วก็มาปลูกฟักแฟงแตงกวา เ, าเพื่อจะนามาซื้อมากินมาขาย มันไม่คุ้มค่ากันพรเหเพราะว่ายุ่งข้าวกว่าดีบ้านเรือนกว่าดีมีคุณค่ามากกว่าฟักแฝงแต่งกว่านี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหอกาพวกเราไปขายไปทารายทำรายประเทศชาติอย่างนั้นมันเสียหายมันถูกกับใครใครจะรู้รเ อ, อเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นหลวงพ่อก็พยายามบอกกล่าว แนะนำสั่งสอนลูกหลานเหมือนกันแต่ลูกหลานจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนแต่หลวงพ่อก็คิดว่าดีกว่าไม่พูดหรืออาจจะเป็นโทษก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อเข้าใจว่าเออทางไม่กล่าวไม่เตือนกันออก็ดีกว่าไม่พูดถําพูดแล้วก็บางคนก็อาจจะสำนึกได้เออใช่ที่หลวงพ่ออินออวัดปะนะ่านาคาน้อยหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นของเราเนี่ย แนะนำบอกกล่าวนี่ก็เออก็น่าน่าฟังสิ่งที่มันไม่ดีท่านบอกว่าอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดที่เราทำไปนีน่มันไม่ถูกนะเนี่ยมันผิดกฎหมายบ้านเมืองเขาจะทำให้พ่อบ้านพ่อเมืองอย่างท่านผู้ว่า เ, เดือดร้อนตํารวจฝ่ายดูแลก็เดือดร้อนไปด้วยสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ประสบนิกรคนใน จังหวัดอุดรขันทศิ ม, มาที่อยู่ในใต้ปกครองของท่านผู้ว่าให้สํารวมระวังสรุปแล้วอันนี้หลวงพ่อเป็นในฐานะลูกปู่ลงกตาท่านจะว่าไปแล้วก็ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าทิศหกทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบน หลวงพ่อในในฐานะที่ว่าเป็นทิศเบื้องบนคือส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหม์คือทิศเบื้องบนส ม, มณพราม์เมื่อพวกคณะสัตายาติโยมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องส ม, มณพราหมณ์อย่างหลวงพ่อก็จะแนะนําเรื่องศีลธรรมให้กับลูกหลานจัทาญาติโยมเนะ้อให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนะ้อให้เคารพกฎหมายบ้านเมืองเนะ้อให้มีศีลมีธรรมเนะ้อคิดดีเนะ้อทำดีพูดดีเนะ้อ นรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดอีกนะลูกหลานนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ไม่ต้องคิดเดาเอาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องคาดการใหเรานั่งสมาธินั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่ง น, ะนั่งเสร็จแล้วก็หลับตา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นแหละจิตใจไม่ปุงไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดญาณทัศสนเกิดฌานคือความรู้จา้าพอความรู้ขึ้นมาแล้วท่านมองเ อ, อเอาความรู้ที่รู้จริงเนี่ยมองไปในอดีต เห็นอดีตจะบอกปุบเพเนี่ยวาสานุสติ ญ, ญาณระลึกชาติโหนหลังได้แต่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับร่างกายเห็นได้ชัดใจเนี่ยคือนามธรรมตัวผู้รู้เนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือความรู้รู้ตัวนี้มันอยู่ในสมองแต่ตาไม่จริงอยู่ในสมองก็จริง สมองเป็นเครื่องใช้ของใจใจเนี่ยมาใช้สมองสมองเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของใจใจเนามากดสมองใช้ใช้ใช้ใช้ใช้สมองก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดเเหมือนกับคนที่ไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์อย่างนั้นอ่ะเอันนี้ก็คือใจเมาใช้สมองแต่นี่ก็สั่งการสั่งงานนะตรงนั้นตรงนี้เป็นนั้นเป็นนี่ผลที่สุดก็ออกไปอย่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์เขาใช้นะ แต่โลกทั้งหลายเขาบอกว่าเขาเห็นแต่สมองแต่เขาไม่เห็นตัวผู้มาใช้สมองเนะ่ยเขามองไม่เห็นแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ยพอท่านนั่งสมาธิจิตใจสงบแล้วท่านรู้ได้ว่าคนที่มาใช้สมองนะั่นคือใจคือมโนเ อ, อหรือว่ายินวิญญาณหรือผู้รู้นะมโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ วันนันใจของเราเนี่ยมาใช้สมองเป็นเครื่องสั่งงานนี่แหละพอสมองมันเสียใจก็สั่งงานไม่ได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มันเสียอย่างนั้นใครจะเก่งขนาดไหนไปกดไปกดมาคอมพิวเตอร์ไฟไม่เข้าบ้างมันเออร์เลอบ้างอย่างนี้มันก็หมดเหมือนกันคนจะเก่งขนาดไหนไปใช้ไม่ได้คอมพิวเตอร์มันมันเสียนี่ก็เหมือนกันหัว เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ศีสากของเรามันเสียใจของเราก็ใช้ไม่ได้แต่ตามไม่จริงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใจถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือเมื่อกําหนดจิตใจสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเหมือนรถกับคนขับรถอย่างนั้นะคนขับรถกับรถนยลงพ่อพูดแล้วพูดอีกอยากจะให้พวกเราได้เห็นชัดเจนว่าร่างกายก็เหมือนกับรถ แต่จิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่คนขับรถตัวนี้แนหะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญอย่างมากให้ความสําคัญกับคนขับรถท่านไม่ให้ความสําคัญรถเท่าไหร่น ะ, ะรถเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอํานวยความสะดวกถ้าร่างกายดีคนขับรถดีรถทั้งวิ่งไปได้แต่ถ้ารถมันทุกพลภาพฝีมือโจเฟอร์จะดีขนาดไหนมันก็ขับไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่า รถมันอายุมากแล้วหรือว่าทุกพลภาพแล้วอมันใช้มานานแล้วนี่แหละคือร่างกายของเรากบบเหมือนกับรถนั่นแหละแต่ใจของเราน่ยเหมือนกับคนขับรถแต่ทีนี้เมื่อคนขับรถเนี่ยเมื่อรถมันเสียมันพังมันหมดสภาพเหมือนกับรถมันคนขับใช้ไม่ได้ลนจ้มันรถตายลูกสูบมันติดอย่างไ้สายพานมันหลุดมีเยอะแยะไปรถที่มันจะเสียหาย ล้อมันหลุดอย่างไี้ผลที่สุดโซโฟเฟอร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะซ่อมก็เท่านั้นเถอะเนี่ยมันมันซ่อมไม่ได้เข้าอู่เขาก็บอโอ้ยซ่อมไม่ได้แล้วมันอายุมากแล้วแก่ขนาดนี้รถใช้มานานแล้วซ่อมไม่ได้ไม่ไม่คุ้มค่าแล้วอันนี้ก็คือรถตายแต่รถตายแล้วจะทำยังไงโซโฟเฟอร์จะไปเฝ้ารถก็ไม่ใช่ดิเปน็นนั่งเฝ้ารถก็ไม่ใช่บนรถมันตายลว ไปตากแดดตากฝนก็ไม่ได้เพราะรถมันตายแล้วมันเสียเลอผลในสู่เขากล้าข้าพงหญ้าเนี่ยแหละคำว่าลากเข้าพงหญ้าคำนี้ก็คือเอาไปเผาไฟเอาไปบรรจุในหงซุยเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไปเก็บไปแหละแต่โซเฟอร์ล่สะสิเอแล้วโซเฟอร์จะออกไปที่ไหนโชเฟอร์จะไปเฝ้าอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้โซเฟอร์ก็ต้องออกสะสิออกจากร่างนี่แหละเดี๋ยวไปปฏิสนธิ ในหลักภพของพุทธศาสนาจะต้องออกจากร่างแล้วไปปฏิสนธิในออกที่จะออกไปปฏิสนธินั่นนะ เ, เรามีอะไรนะก่อนที่จะออกไปนะเรามีเงินละอย่างในชะเรามีเงินในกระเป๋าไหมที่จะออกจากออกจากรถคันที่มันล้างไปนะหรือว่าก่อนทีเ่เราตั้งแต่มาเกิดออกมาจากท้องแม่เราเราไม่ได้สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องประกอบคุณงามความดีมีแต่เรื่องทำแต่เรื่อง เวลวร้ายตลอดมีแตรทําความชั่วเสียหายตลอดในเมื่อออกจากรถคันนั้นแล้วแปลว่าเราไม่ได้สนใจหาเงินใส่กระเป๋าเราจะไปที่ไหนนี่แหละจุดนี่แหละจุดที่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญอย่างมากท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตนี่อีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้จะต้องเข้าไปอยู่ในพงหญ้า เ, เป็นเศษเหล็กแน่ๆ น, นะแต่พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อออกจากรถคันนี้แล้วพวกท่านทั้งหลายได้คิดไว้อะไรอย่างเตรียมพร้อมมาอะไรอย่างถ้ายังไม่เตรียมพร้อมคิดไว้นะให้ศึกษาไปนะนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะเตยก็คือปฏิสนธิวิญญาณออกมาปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆ ในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาแล้วขนาดเป็นพระสงฆ์ยังไปเกิดเป็นตัวเลนได้เพราะอะไรเพราะออกจากร่างนี้แล้วก็ไปยึดไปคลองไปยึดติดในสิ่งนั้นๆก็ไปปฏิสนธิไปเกิดขึ้นมาได้การปฏิสนธิมีกี่ยางชลาพุ ช, ชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่ สังเสทิชาเกิดในเท่าในใครในสิ่งมักหมมโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นอันนี้ว่ากำกำเนิดกําเนิดสี่เออกำเนิดสชลาพุชะเกิดในคันเกิดในคันเหมือนกับคนเราเหมือนช้างม้าวัวควายมนุษย์อันนี้ว่าเกิดในคันอันทชะสังเสทชะเกิดในไข่ก็คือพวกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไขนกอันทชะ ชาลพุชาอัน ร, รสังเสชะเนี่ยเกิดในเท่าใครก็คือใครว่าที่หมักหมมที่หมักหมมกัใครว่าที่น้ํามีแฉะอย่างไรเนี่ยสัตว์มันไปเกิดเองไม่ไปเกิดมันไปเกิดในสิ่งที่หมักหมมเนี่ยสั่งสิ่งที่แฉะเลยอันนี้วะสังเสชะโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดผุดขึ้นกับเหมือนกับเทวดาเรียว่าสัตว์บางตัวที่ไม่มีสิ่งที่มันไปเกาะ แล้วมันไปเกิดหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังโอปะปาติกาเนี่ยหลวงพ่อเคยสมัยเป็นเด็กเนี่ยไม้ขุนทาและไม้โกทาและวไม้ขุนท า, อ, าอย่างเนี้ยมันจะมีเป็นมแมลงแมลงม้านะ่ยแต่ควันของมันยังติดต้นไม้อยู่นะยังติดต้นไม้อยู่แต่ว่าขาของมันเป็นขัาข า, มาแมลงม้าเป็นหัวมแมลงม้าเป็นตัวมแมลงม้าแต่ดิ้นได้นะ แต่ว่าหัวของมันเนี่ยยังไปติดยังไปติดควันยังเ ป, เป็นใบไม้ติดต้นโกธาอยู่เนี่ยจะไมเป็นเด็กไม่ไมรั่วกี่ครั้งเรียกเด็กมาดูนี่ดูสิมันกระดุกกระดิกได้แต่ว่าใบไม้ตอนนี้มันไปติดกับต้นไม้อยู่อันนี้จะว่าถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งที่ให้เห็นก็คือโอปป า, ปาติกะวิญญาณไปกกเกาะในใบไม้นั้น ผลยี่สุดมันก็เลยไปยึด ใ, ใบใบไม้เท่นั้นเป็นร่างกายของมันมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นมแมลงตําข้าวมาแมลงมา้านี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งก็คือโอปปาติกะเกิดผลขึน้นก็มีมากอันนี้พวกเราเห็นเพียงแต่ของบางอย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ถ้าใครทําความดีความดีก็ไปสู่ความสุขถ้าไทยทําความชั่วความชั่วก็ไปสู่ความทุกข์อันนี้ไม่ว่ากันใครข้าว่าในปัจจุบันนี้กรเถิบถ้าใครทํากรรมดีสร้างแต่ขนผลงานดีอย่างท่านผู้ว่าท่านก็เลยเป็นผู้ว่าขึ้นมาอย่างนี้ทำดีมาตลอดถ้าหากว่าไทยทํากรรมชั่วไปขายยาบ้ายามะไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปขังคุก ทำไมเขาจะเอาไปขังคุกคนเหมือนกันทำไมไม่เป็นอย่า ง, างท่านผู้ว่าเพราะเหตุไรเพราะเขาทำความชั่ว น, นี่แหละความชั่วในเมืองมนุษย์ก็มีความชั่วที่ทำแล้วในอดีตไปตกนรกหมกไหมก็มีอย่างพระโมกขลาพระโมกขลาที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติพอมาเกิดคราวนี้่เป็นอัครสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าแต่โดนฆ่าอีก คนทั้งหลายก็โจ์การขานกันว่าโอ้โห و, พระโมกขาลาทำคุณงามความดีอย่างนี้ไม่น่าจะโดนฆ่าเลยบุญกุศลของท่านทำมาถึงขนาดนี้ทำไมไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยอดีตอนาคตท่านก็ถึงยังไงท่านก็ เ, เมตตาพระสาวกเนี่ยพระสาวกของท่านจะไม่เมตตาได้ยังไงคนอยู่ใกล้ชิดแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าโมกขาลา ตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตนะโมฆคาลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าอดีตตกรรมนั้นพระโมฆคาลาทำ อ, อันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระโมฆคาลาสมัยก่อนเป็นหนุ่มแล้วเขไปแต่งงานาได้ผู้หญิงที่ไม่ดีจากนั้นก็หาเรื่องใส่พ่อแม่ที่ตาบอด ผลในสุดโมกขาลากเลยเดฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนเองชาตินั้นแหะเป็นอนันตริยกรรมฆ่ามารดาฆ่าบิดาทําบาปหนักบาปกรรมตัว น, นั้นจึงตามสนองโมกคลาตายไม่รู้กี่พ่กี่ชาตินั่นถ้าว่าโมกคลายังมีชีวิตอยู่ทั้งยังไม่พ้นทุกนะยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ถ้าโมกคลาลงมาเกิดอีกโมกคลาก็าคงจะถูกฆ่าอีกแต่บัดนี้โมกคลา ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลแล้วกรมตามไม่ทันกรมตามไม่ถึงแล้วคล้ายๆว่าหมาไล่ไล่ไล่มาเห็นแล้ว ก, กัดอพอกโผล่ขึ้นมาอีกหมาไล่กัดแต่นี่พระโมกขาลาข้ามไปอีกฝั่งทะเลหนึ่งขึ้นไปดวงจันทร์หมาเลยก็วิ่งไปวิ่งมามันหาไม่เจอเทยเพราะพระโมกขาลาขึ้นไปอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วคือพระนิพพานนี่แหละความบริสุทธิ์ของท่าน หมากำตัวนี้ก็ตามไม่ถึงนี่แหละหมดเป็นโอโหสิกรรมกรรมให้ผลสําเร็จจบแล้วนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไกล้ๆเหมือนกันทํายังไงจรึงว่าอย่างนั้นอา้าวนั่งสมาธิดูสิ ที่พระพุทธเจ้าตั้งสมาธิทําจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจอย่างที่อาจารมาภาพได้พูดเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ศึกษาเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอขอให้พวกเราศึกษาในธรรมะปฏิบัติ พวกเราอย่างน้อยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ลงมือปฏิบัติไปก่อนดูไปก่อนไม่ใช่พูดเอาอะไรให้ฟังจะเชื่อทั้งหมดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจ้าท่านมาในพระไตรปิฎกหลวงพ่อยึซึง้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสในไวในพระไตรปิฎกท่านว่าดูก่อนสาลิบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี้ท่านเชื่อไหม พระส า, ารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างกอดพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติได้ผลยังไงข้าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังฮขนาดพระสาวกเ อ, อกับอาจารย์แท้ๆยังพูดยังไม่เชื่อกันเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้นําไปปฏิบัติถ้านําไปปฏิบัติแล้วนันละยอมรับเออ เองอย่างที่พระ พ, พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้เนี่ยอาตมาภาพเองก็อยากจะให้พวกเราพุทธบริษัทที่ได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้านําไปปฏิบัติจริงจังและจริงใจนั่งสมาธิดูเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจริงไหมร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านกัน เ, เห็นได้ชัดจริงไหมพวกเราก็จะหมดความสงสัย เพราะนั้นอย่างพ่อแม่กูบายจานหลวงปู่หลวงตาท่นานก็คงจะสงสัยเหมือนกันที่ท่านออกมาประพฤติปฏิบัติท่านจึงเข้าป่าดงพงไพรหาภาวนาพอภาวนาเข้าไปแต่โอ้โหตายแล้วเกิดจริงๆตายแล้วไม่สูญอนะ่ะพอสิ่งที่ให้เกิดมันมีรู้แกจิตแกใจของพวกเราเนี่ยนี่แหละท่านจึงหาทางพ้นทุกข์หรือหาสแสวงบุญกุศลตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะัตธาญ า, ยาโยมทุกๆท่าน วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งอัตมาภาพได้กล่าวสำโมธนิยกถาเพื่อสรองเสริมให้พวกคณะสัตยาญาติโยมท่านทั้งหลายได้นําไปคิดพิจารณาการกรองตันไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลต่อไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรวันเกิดของคุณนายณวันเน่าวันเกิดคุณนายท่านปูว่าและคณะ มาทำบุญวันเกิดเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยบอกกล่าวว่าการวันเกิดแต่ละครั้งเนี่ยใช่สนุกสนานเพิดเพลินก็ควรก็มีแต่ว่าถึงยังไงอย่าเพิดเพลินจนเกินไปควรจะสํารวมควรจะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับพระพุทธศาสนา หลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ว่าวันเกิดของเราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สมมติว่าเอาหกสิบเดี๋ยหรือแปดสิบแล้วก็สนุกสนานมันไม่น่าจะถูกนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าอายุของเรามันไม่ใช่มันได้มันหมดอายุของเราหมดไปแปดสิบปีแล้วะยังจะไปนสนุกสนานได้ยังไง ไปข้างหน้าอายุยังเหลือเท่าไหรเพราะนั้นควรจะประกอบคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีให้มากที่สุดอันนั้นจึงจะถูกน ะ, ะไม่ใช่ว่าอายุเสียไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอกดีใจเหมือนกับเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเงินเสียไปทั้งห้าหสิบาทเลยเอยังไปร้องรำทําเพลงดีอกดีใจกับ เ, เงินเสียไปไม่ไม่น่าจะถูกนะมันน่าจะสํารวมระวังเออ เราใช้เงินมาตั้งห้าหกสิบบาทแล้วยังเหลือไม่ยังเหลือน้อยกว่าเก่าแล้วเนี่ยเราควรจะประกอบคุณงามความดีแล้วนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ่าหลวงพ่อว่านะ